ไม่ลงมาฉัน8ปดองค์พระลงมาฉัน21องค์วันนี้พระทั้งหมดส0สิกว่ารูปไปกิจนิมนต์ก็มีและผู้ที่ท่านทำงานมาทำงานก็ข อ, ขอไปพักผ่อนไปเมื่อวานกิจนิมนต์ไปฉันข้างนอกก็มีห้ารูปเมื่อเช้านี แล้ววันนี้จะมีการบวชบวชนาคนะบวชพระสององค์ถวาผูา้ใดที่จะมาร่วมในการบวชพระปีใหม่ก็มาร่วมได้พวกเรานั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวมีกิจธุระก็ทำไมว่ากันเพราะมันเป็นกิจของสงฆ์มคงจะมีเมื่อ ฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเข้าไปบวชข้างในศาลานี้เป็นศาลาหอฉันสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันสำคัญแต่พระท่านก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ เ, เริ่มเริ่มมาฉันตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่29จนถึงนู่นเรจนถึงวันที่สองนั่นน่ะ ถึงจะเข้าไปฉันข้างในหลวงพ่อก็เอ อ, เ อ, อสุดแท้แต่พวกพระจะจั ด, จดยังไงก็คือในช่วงเทศกาลแต่เราไปฉันข้างในบางวันอาจจะมีคนหมามากรถมันแน่นทำมันเฉันข้างนอกแต่ว่าการบวชพระจะบวชหลังนี้ไม่ได้อันนี้หลังนี้เป็นศาลาอนเนกประสงค์แต่ศ า, าลาหลังใน เป็น ส, สาลาวิสุงขามสิมมามีหลักวิสุงขามสิมมาจะต้องบวชข้างในศาลาข้างในเนี่ยแทนสังฆ ก, กรรมแทนโบวชได้ทุกอย่างถึงจะเป็นเหมือนศาลาแต่ก็แทนโบวชได้เพราะฉะนั้นวันวันนี้เมื่อฉันจังขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คงจะเข้าไปข้างในก็พระสงฆ์ที่มาร่วมนั่งหัตถบาตรก็จัดจัดกันไว้นะให้ครบถ้วนคือพระที่มานั่งหัตถบาตรไม่ต่ำกว่า10รูปแต่เกิดได้แต่ไม่ให้ขาดพระที่เป็นสขีพยานในการบวชพระนะวันนี้เป็นวันพระรหัสที่29ทธันวาคมพุทธศักราชส0 0พัน ห5 9วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลนะเห็นไหมหลวงพ่อลั่นค้องเก้าครั้งเพื่อความเจริญเก้าหน้าพ่อโยมผออรน่อนริศนริศวิเศษศักด พร้อมผู้บริหารครูและบุคลากรสพอปอขอนแก่นเขตห้ า, านำ้องใหญ่มาถวายาให้ดังไปอยู่นักสถานที่ดให้ดังไปในทางที่ดีนะดังไ ป, ไปในทางที่ดีให้ก้องกังวันลูกหลานทั้งหลายที่ถวาย้องนะหลวงพ่อรับไปแล้วเอาไว้ที่ศาลานอกนี่แหละ วันนี้รับวันที่ย9ท้าคห้าเก้ากับท่านกับพร้อมผู้พร้อมผู้บริหารครูและบุคลากรคงจะหลายๆคนร่วมกันต่อไว้คลองใหญ่เพราะนั้นจุงหลวงพ่อจึงลั่นคลองเมื่อเช้านี่ลั่นคลองเกาครั้งเพื่อความเจริญก้าหน้า <laughs> แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล ปีใหม่หลวงพ่อเองก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้ที่มาวัดหลวงพ่อก็อผู้ที่เก่าก็มีแต่ผู้ที่เก่าผู้ได้ยินบ่อยๆก็เอาจำรีอุดหนูไว้ก็ได้พ่อหลวงพ่อพูด เ, เพื่อจะให้พวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่มายังไม่เคยได้ยินามาจากต่างถิน่นเข้ามาสู่วัดหลวงพ่อเองก็ขอแนะนาเกี่ยวกับ ลุกสิทธิ์ลุกหาคณะสัายาติโยมที่เกี่ยวข้องบัวน่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่พวกเราควรจะปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้ใหม่แต่เมื่อปีที่แล้วพวกเราก็ได้ทำอะไรไปบ้างทางดีได้ทางเร็วก็คงจะไม่ใช่ทางเร็วอย่างเดียวและก็คง คงจะไม่ใช่ทางดีอย่างเดียวมันมีทั้งสองอย่างนั่นแหละดีกับเร็วในแนวความคิดของเราในการพูดและการกระทำก็เหมือนกันการกระทำแสดงออกทางกายก็อาจจะมีสองอย่างอีกและ ก, การพูดของเราก็อาจจะมีสองอย่างอีกมีดีกับมีเร็วมีดีกับมีชั่วมีดีกับไม่ดีแต่ทึงยังไงก็ตาม ให้เราบวกเราให้พวกเราบวกลบคูณหารดูีิว่าอันไหนมากกว่ากันดีกับเลวเนี่ยทั้งสามทวารถ้าหากว่าปี2560รสบเนี่ยข้าพเจ้าจะสกัดสิ่งที่มันเลวออกจะให้มีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดีให้มากให้พวกเราตั้งใจอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ปรับปรุงกายวาจาใจของเราแล้ว ถึงจะปีใหม่ปีไหนกับปีเก่านั่นแหละเพราะอะไรเพราะคนคนเก่าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกายวิจาใจของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะสัตว์ไยญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ปรับปรุงกายใจของเราแล้วก็พร้อมกันอย่าลืมพ่อแม่ผู้มีวัยวุฒิคุณวุฒิ ถาว่าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตยอยู่ขณะนี้ลูกหลานกำลังจะขึ้นม า, าจาก เ, าเตรียมตัวที่จะขึ้นมาเยี่ยมพ่อแม่มาเยี่ยมบ้านาก่อนที่จะขึ้นมาเราได้เตรียม เ, เงินเตรียมสิ่งของอะไรมาฝากพ่อแม่บ้างไหมสิ่งเหล่านั้นก็ต้องได้คิดงีนลูกหลานหน้าผู้ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดน ก่อนที่จะมาเยี่ยมพ่อแม่ต้องเตรียมขึ้นมาพอพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากเราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนมีครอบมีครัวก่อนที่จะมาเยี่ยมพ่อแม่เราก็ต้องมีเงินคำทรัพสมบัติบ้างติดไม้ติดมือพอเราไปทำงานหลายปีหลายเดือน ไมีใช่ว่ามาแล้วก็ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาแล้วก็มาพวกที่อยู่ทางนี้ก็มันก็ใช่ผู้ที่ดูดูแลพ่อแม่จูนนี่ก็ใช่แต่เราเป็นลูกของท่านเราจะมอบให้ใครละ่ะเป็นผู้รับผิดชอบจะให้คนอื่นรับผิดชอบใช่ไหม เราจะไม่ใช่ไม่ใช่คนรับผิดชอบอย่างนั้นใช่ไหมในหัวจดเท้าของเราน่แต่ตงผมตั้งแต่ปลายผมลงถึงฝ่าเท้านะเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ไม่ใช่เหรอถ้าเราได้มาจากพ่อแม่เราก็ควจะสำนึกว่าพระคุณของท่านที่เที่ยงที่ท่านเ ล, เลี้ยงดูเรามานะั่นะเป็นยังไงเราเคยได้ลูกไหม ถ้าเราได้ลูกเราก็ควรจะสํานึกได้ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามากับเหมือนเราเลี้ยงลูกของเรานะเนี่ยก่อนที่จะใหญ่ขึ้นมาก่อนที่จะได้รับทรงเข้าไปเรียนจนได้รับนาทีการงานามันลําบากไหมถ้ารู้ว่าลําบากเราก็ควรจะํานึกถึงพระคุณของท่านที่เลี้ยงดูเรามาเมื <ME> ่อ <Y OR SE> พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วควรจะตอบสนองบุญคุณของท่าน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 ขึ้นมาเยี่ยมบ้านล้วก็ควรจะรวบรวมพี่น้องลูกหลานเออเราได้รับมรดกจากพ่อจากแม่เราได้รับทุนการศึกษาจากพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงดูเรามาบัดนี้พ่อแม่ของเราได้จากไปแล้วพวกเราควรจะทำบุญเนาะค น, คนละมากคนละน้อยกันพาไปทำบุญวัดไหนก็ได้ไม่ใช่ทำบุญวัดหลวงพ่ออินนะวัดไหนก็ได้ พากันไปทําบุญแล้วกดพร้อมกันอุทิศอุทิศสวนกุศลให้พ่อแม่ของเราตามประเพณีของพุทธะที่ท่านว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูแล้วเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะที่จะขึ้นมาปีใหม่ไม่ใช่ว่า ก่อนที่จะขึ้นมากันนะเลี้ยงฉลองกันนะเมาปื้เออตาหูตาลืมไม่ขึ้นขนาดขึ้นประตูรถก็ยังเกาะผิดเกาะถูกเผลอๆไงชะลําให้รถเหยียบอีกต่างหากเพราะเห็นแุไรเพราะมันเมาเออแล้วขึ้นมาทั้งบ้านก็เมาอีกเออผลในตัวก็ลงไปกลับลงไปก็เมาลงไปอีกเออถ้าจะไปเมาในสํานักงานก็ไม่ได้กลัวเขาจะไล่ออกเออก็เลยหายสางเมา มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนให้สำนึกคิดและนึกถึงพระคุณของผู้มีอุปกรณคุณมันจึงจะถูกน ะ, ะและก็พร้อมกันเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยหลวงปู่หลวงตาอย่างหลวงพ่อเนี่ยขอกล่าวย้ำตักเตือนลูกหลานท้งกฎหมายบ้านเมืองเขาเข้มงวดกวดขัน อไม่ใช่ว่าอการรู้อยู่แล้วมันกินดื่มสุราแล้วมันเมาเอถ้ามันเมาแล้วก็เขาขับรถพอขับรถเมาขึ้นมากลี่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเหมือนกับคนปัญญาอ่อนลักษณะนั้นะพอเขาจับได้ขึ้นมาผมไม่ได้ดื่มผมดื่มหน่อยเดียวฮเออการรู้อยู่แล้วเขาให้ไม่ให้ดื่มจะดื่มทําไมล่ะเอดื่มน้ํำก็พอต้องให้มีสติสัมปชัญญะ ไปนะสถานที่ใดทำทำะไรให้ทำให้มันถูกต้องอย่าไปทำให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาจะทำให้ผิดกฎ ก, ฎกติกาของเขาเอาพอเราอยู่ในชุมชนสังคมสิ่งเหล่านี้ให้พวกลูกหลานทั้งหลายผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วนะมีแต่เป็นปริญญาตรีโทเอกเกือบทั้งนั้นเลยเ อ, อย่างน้อยก่อนเนี่ยม .6 ปวชปวส เ, เพราะนั้นให พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนี่เป็นเทศกาลปีใหม่อย่าให้มันซ้ำรอยทุกปีผู้ที่จะไปสิ่งไหนจะไปที่ไหนก็ตามลูกหลานของเราก็เหมือนกันนะั่นะจะไปเที่ยวไปเตรที่ไหนก็เลื่องรถโมอเตอร์โโสงมอเตอร์ไซค์ก็ให้ตรวจตามบอกกล่าวลูกหลานของเราด้วยนะไม่ใช่ว่ามารกยนต์ลูกกุญแจจะไปที่ไหนก็ไปพอหัวนกพื้น มาแล้วก็ตายแหละจะนหลวงพ่อยังได้ยินลูกหลานตกมอเตอร์ไซค์หัวนอกพื้นอยู่ในโรงพยาบาลแล้วจะทำยังไงเป็นภาระของครอบครัวเลยจะนีอพอตื่นฟื้นขึ้นมากันนั่นโตโตเตเตไม่เต็มบัดเต็มเต็งอีกต่างหากมันเป็นภาระของใครเป็นภาระของพ่อของแม่ของพี่ของน้องถ้าพ่อแม่ตายละ จะเป็นภาระของใครเป็นภาระของพวกลูกห ล, ก ล, า, ลานน้องๆทั้งหลายพี่ๆทั้งหลายและเขาจะเลี้ยงดูเราดีไมหมล่ะทีนี้เสียงเหล่านี้ให้พวกเราคิดวางแผนอนาคตของตอนเองการที่จะทําสิ่งไหนเราต้องคิดดูขนาดนางวิสาขามหาอุบาสิกาพระพุทธเจ้าสมัยเป็นหนุ่ม้สมัยเป็นสาวชิดลิศอายุ1516้าสิบหกปีกำลังที่ สมัยประเทศอินเดียเขาจะแต่งงานอายุ16ปีนะตามพระไตรปิฎกที่ท่านได้พูดได้กล่าวเอาไว้นางวิสาขานี่ก็นมีบริวารถึง500อเนี่ยไปอาบน้ำเป็นลงในท่าน้ำขอมสมัยก่อนไม่มีน้ำปปาๆใช่ไหมล่ะไม่มีน้ำป่าไม่มีน้ำเนี่ยแหละเขาไปอาบแม่น้ำอย่างแม่น้ำโขง่งเก็ไปอาบแม่น้ำโขงไม่น้ำเปิงไม่น้ำทินแม่น้ำใหญ่ใหญ่ ในท่าน้ำทีนี้พวกเศรษฐีเขาก็จะไปหาไปหาลูกสะภ้ยใช่ไหมล่ะไปหาลูกสะภ้ายมาเป็นตระกูลมาเป็นลูกสะภ้ยในตระกูลของเขานะเขาก็ส่งแมวมองไปเนอส่งพวกพรามณอส่งพวกพรามณ์ไปหลายหลายคนไปให้สังเกตสังกาวัดตระกูลไหน สาวคนไหนลูกสาวคนไหนตระกูลไหนลงมาอาบน้ำเนี่ยที่มีบริวารมากเป็นคนที่เศรษฐีเหมาะสมกับสกุลของเราเน่ยกันแล้วแมวมองนะคือพวกเศรษฐีก็ต้องมองหาลูกสะพ้ยเศรษฐีใช่ไหมล่ะเนี่ยแหละอัน น, นี้ลูกเศรษฐีนางวิสาขาเป็นลูกเศรษฐีท่านก็ไปอาบน้ํากับบริวารพออาบอาบน้ําขึ้นมาจากท่าน้ําฝนตกที่ พอฝนตกท่นั้นแหละลูกน้องเนี่ยวิ่งกลูเลยหาที่หลบฝนฮะลิ่งวิ่งเข้ามาศาลานี่ยศาลาที่หลบฝนแต่นางพิสาขาเนี่ยเดินช้อยฝนตกลํเาเปียก บ, บอลแต่นางไม่วิ่งนางวิ่งนาเดินช้อยเดินแบบละมัดลมัดระวังไอ้ทีนี้พวกพรามเขาก็เห็นพวกแมวมอง เ, เห็น ก็เลยเข้าไปถามใช่คุณเป็นลูกของเศรษฐีใช่มไหมใช่ฉันหนูเป็นลูกเศรษฐีพ่อคุณแม่ชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เขาก็รู้จักในตระกูลนะแล้วทําไมคุณจึงไม่หลบฝนไม่วิ่งหลบฝนเหมือนกับคนหมู่พกเพื่อนที่บริวารทั้งหลายเขาวิ่งหนีแต่คุณเดินเหมือนกับคนง่อยเปียกเสียขาลักษณะอย่างนั้นแหละเออเหมือนกับคนที่ไม่กระตือรือร้นลักษณะอย่างนั้น นางวิสาขาตอบว่านะดิฉันเป็นหญิงสาวคิดว่าอนาคตจะต้องไปสู่ตระกูลสามีแต่ทางว่าดิฉันกลัวฝนเพียงแค่นี้วิ่งไปสะดุดขาหมูพวกเพื่อนใบบั้งไปสะดุดก้อนหินก้อนขวดบ้างหกล้มลงไปขาหักแขนหักขาแขนหักเพอนล้มลงไปแล้วแขนหัก แล้วจะทํำยังไงต่อไปภายภาคนาตะกูลไหนละ่ะเขาจะนําจะเอาไปเป็นลูกสะภ้ยละ่ะลูกสะภ้าแขนหัก่ะเออสมัยก่อนมันมันเหมือนไม่เหมือนทุกวันนี้ได้ทุกวันนี้มันยังต่อได้ยังดามได้ใช่ไหมสมัยก่อนมันหักมันก็ต้องงอไปเลยนะเออเนี่ยดิฉันต้องคิดถึงอนาคตของตนเองเพราะผ้าแปลกปอ น, นไม่ได้ไม่เป็นไรมันแห้งได้อพอไปตากหน่อยเดียกวก็แห้งแล้ว แต่ว่าแขนหักเนี่ยนะมันจะอยู่นานไปสักเท่าไหรนะ่เพราะฉะนั้นเราจึงหนูจึงไม่วิ่งเหมือนกับลูกวริวารทั้งหลาย น, ะนั่นพวกแมววองทั้งหลายได้ได้ยินคำนี้ทัรทันระทึงเลยนะโอ้โห เ, เป็นผู้หญิงเด็กหญิงที่มีความฉเฉลียวฉลาดมากเลยเนะี่ยมองเห็นอนาคตของตนเองนี่แหละ อันนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้ลูกหลานของเราคนในชาติของเราเนี่ยมองอนาคตของตนเองอย่างนั้นอ่ะอย่างนางวิสาขาเนี่ยที่จะทำอะไรลงไปก็จะต้องมองว่าถ้าหากว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปลงข้างถนนขาหากักแขนหกักหัวน็อกเพเิ่นฟื้นขึ้นมาก็โตโ ต, โตเต๋อไม่เต็มบาดเต็มต่งแล้วเป็นภาระของใครนี่แหละ อ, อยากจะให้ลูกหลานปีใหม่ ปีใหม่เนี่ยที่จะถึงน่ยไม่กี่วันเนี่ยอยากจะให้พวกลูกหลานทั้งหลายสํานึกสำเนีจกที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนีหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตานลีลูกหลานอาจจะคิดมากคิดไกลก็ได้แต่จะไงก็คิดเป็นห่วงลูกหลานนั่นแหะจึงได้พูดได้กล่าวให้ลูกหลานได้ยินลูกหลานทุกวันนี้เมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยนะจะเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายก็ตามนะเป็นพี่ป้าน้าอาก็ตามเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ย ก็ควรจะ ส, สั่งสอนลูกหลานของพวกเรานะให้แล้วเวียงรวังเพื่ออนาคตของลูกหลานนั่นละไม่ใช่อนุอนาคตของใครถ้าว่ามันเสียหายขึ้นมาแล้วนะเสียหายอนาคตของลูกหลานนะจะไปทำการทำงานที่ไหนก็ไปไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวเป็นภาระของตระกูลแล้วก็ตัวเองก็ไม่ตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายอพอป้าป้ า, บ, าบ้องบอง เราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราพวกเราเ ร, ระวังระวังรักษาตัวเองให้ดีก็คงจะเป็นศักดิ์ศรีสง่าราศีต่อตระกูลต่อครอบครัวของพวกเรานะและก็พร้อมกันให้พวกเราในเทศกาลปีใหม่นี้ก็จะให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลตั้งจิตตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ตั้งต้นใหม่สิ่งใดที่ทมันไม่ดีลดละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะงดสูบบุหรีตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะงดกินเหล้าดื่มสุราตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะงดการพนันเล่นหวยเล่นเบอร์ตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปเอาเถอทดลองรู้สักปีนึ่งจะไม่เล่นหวยเล่นเบอร์เพราะมันเล่นเบอร์ไม่นจะกินลูกเดียวแล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลับ พอได้มาหน่อยหนึ่งก็ดีออกดีใจแต่จํานวนที่เสียนะ่ยมากมายมหาศาลเพราะนั้นเอาเถอะข้าพเจ้าจะให้ใจกับเพื่อนในปีใหม่ปี2560ัห้าร้อข้าพเจ้าจะงดเอาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างในหลวงน่ยข้าพ เ, เจ้าจะงดการพานันเราสิ่งเหล่านี้นะ่ยหลวงพ่อว่าล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย แต่หลวงพ่อก็คิดคิดเหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อขอไม่ให้สูบบุหรีเนี่ก็ยังพอจังกัดฟันสู้ได้อแต่ว่าเรื่องไม่ให้กินเหล้านี่ก็ยังกัดฟันสู้ได้แต่ไม่ให้เล่นบุบไม่ให้เล่นหวยเล่นเบิร์คิดหนักใจแล้วเจว้าอาอีกพราพรามันพราติด ก็ถึงวันที่หนึ่งวันกับวันที่วันที่สิบหกมาที่ไรเนี่ยเอไปรู้จะเข้าห้องน้ำไม่รู้จะไปที่ไหนอย่างั้นเนี่ยก็วักกระวนก็อักกระอกกะวนอยู่องั้นเพรามันเคยติดมาพอแรงใช่ไหมถึงจะติดขนาดไหนก็เถอะนะเอาใจเอาชนะมันเลยนะเออข้าพเจ้ามันอยู่ในใจทั้งหมดนะ่ะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะเยอมันก็จบเพียงแค่นั้นคนะณะ ท, ะทัฐาญาติโยมไม่ต้องคิดหนักนะเออ ่ใช่ว่าถึงวันแล้วก็สมัยหลวงพ่อเป็นเด็กนะหลวงพ่อเป็นเด็กสมัยน่ะวิทยุวิทยุมันเป็นวิทยุมันก็แปลกนะมันมาทางไหนได้ใไ ท, ทั้งทีหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่ทางรถก็ยังไม่ถึงนะเป็นทางเกวียนเข้ามาในหมู่บ้านหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เป็นเด็กสมัยน่ะก็เพียงเจ็ดแปดปีมั้งพอรู้เรื่องเ่ยนะ ก็มีเสาไม้ไผ่ต่อขึ้นไปจากหลังคาบ้านนะไม้ไผ่ลมลําสูงๆนะก็ต่อสายไฟขึ้นไปรับไปให้มันรับให้มันรับทางอากาศจากนั้นก็ต่อลงมาในในบ้านแล้วก็มีวิทยุเครื่องหนึ่งบากใหญ่ยาวเป็นเกือบแขนวะนะหนากรคือเป็นคืบกว่านะสองคนนะ่ะแปลว่ายกวิทยุเครื่องนั้นไนปะสองคนนะ แต่ว่าไอ้ฐานมันน่ะเจ็ดสิบก้อนนะหลวงพ่อจับมันเขาวัดใส่ฐานเจ็ดสิบก้อนอยู่ในฐานของมันนะเอเจนได้ก็เสียบคุณมากก็ใส่วิทยุเอาจากนั้นก่อนนะอพอวันสิบห้า ว, ว, วันเลขที่ออกนะเลขเจออกก็เลขสีออ็อกอันนี้ผัว พวกขอเลขอะไรก็หูเจอ่อเข้าฟังว่าด้ว ม, มันจะออกตุอ น, นอะไรว่างัินมันเขาก็าไล่ไปเรื่อยใช่ไหมละ่ะอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อจำไม่ลืมเพราะหลวลงพ่อยังเห็นอยู่กันหลวงพ่อเอ๊เขาฟังอะไรก็ดูเลยหลวงพ่อก็นั่งฟังเอ้มีแต่เลขจะออกเลขจะออกไนะอ้ไอ้ผู้เจ้าของผู้เจ้าของขายเลขใช่ไหมละ่ะไอ้เจ้าของมือเจ้าหวยเจ้าของหวยนะขายเลขมีพวยหัวยอยู่ในมือ เดี๋ยวๆก็โดดเข้าป่าแล้วไปขี่ว่างั้นเดี๋ยวก็โดดเข้าป่าแล้วไป e i, เยี่ยวกันนะคือมันก็อากระอวนวนงกันนะกลัวเขาจะถูกถูกหวยตัวเอง เ, อ เ, อเลยถูกถูกเลขที่ตัวเองขายว่างั้นนะไม่รู้จะเอาถ้าเขาถูกตัวเองขายกับขายแบบ เ, เ, เงินไม่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาถูกเลขเข้ามาจะทำยังไงใช่ไหมล่ะเนี่ยหลว ง, งพ่อเห็นโอ้ยมันทุกข์ มันทุกข์กระทั่งผู้ซื้อมันทุกข์กระทั่งผู้ขายว่างนั้นเธอเจ้าของหวยนี่นะหเห็นหลวงพ่อเห็นยังจําไม่ลืมเลยลูกหลานเนี่ยมันลูกมันเราเล่าให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังเลยสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กน้อยนะแต่คู่ทุกวันเนีคนทุกวันมันรวยก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยมากนะแต่ก็คงจะตุบตบตบตอมตบตตอมตอมนี่ในจิตในใจเหมือนกันนั่นแหละเอ้พอพอมันออกมาเลยเจ้าก็โอ้ยกูฝันอย่างนั้นกูฝันอย่างนี้พลวันเด้เอ้ไม่โล่ฝันตอนนี้ ตีใส่ตัวตีใส่เลขเหมือนกันนะเนี่ยแต่หลวงพ่อว่าเนี่ยตั้งแต่ปีหกศูนเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ย P พวกเราน่าจะตัดขาดเลยแอ э <P> ไม่น่าจะเล่นมันไม่น่าจะซื้อมันหลวงพ่อว่าจิตใจของเราจะไม่กระเพื่มนะแต่ถ้าว่าพวกเรายังเล่นมันอยู่เจตใจของเราวันวมั น, ว, น, ว, นวันไหวมันหวันไหวกวยแกงจิตใจกระเพื่มจะตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้นะเราก็ไม่ได้เจ็บไม่ใช่ว่าจะมุ่งหวังครับ เอาใบาจะมุกเพียงแค่นั้นนะอลุงหวยเรื่องเบอร์เพียงแค่นั้นนะ เ, เราคิดดูสิเราหวังเรื่องหวยหวยเรื่องเบอร์มาเลี้ยงตัวเองเนะี่ยมันจะรวยขนาดไหนเออมันถาว่าเก็บไว้นะมันมันจะรวยกว่าอีกต่างหากหลวงพ่อว่านะาต่อนนี้ไปหลวงพ่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเนาะวันนี้นะ